วันหนึ่งแม่อยากได้เสียงฉันแม่เก็บเสียงฉันใส่ไว้ในแผน่นเอาไปเที่ยวแจกใครต่อใครบอกว่าจงภูมิใจเพราะเสียงฉันจะให้ความสุขและเสียงฉันจะไม่หมดไปมันจะอยู่ในใจคนผู้คน สวัสดีจ้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนลูกเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่กันหรือเปล่าจ้าถ้าใช่นะแม่ก็จะมีของขวัญมาฝากด้วยล่ะลองถ่ายสิคะว่าของขวัญจากแม่คืออะไร ผิวขาวผมมา้าและน่ารักก็ชอบฟันทานมากแต่เขายังเล่านิทานไม่เป็นเลยเขาจึงอาจที่ฐานบอกนางฟ้าที่มีชีวิตว่าแม่จา๋าหนูอยากฟังทานที่สอนให้หนูเป็นคนดีแม่จา๋าหนูอยากฟังดนตรีเพรๆฟังแล้วหนูอยากเขียนบทกวีฝังแม่ด้วยละ่ะ ถูกใจไหมจ๊ะเสียงเพลงดนตรีกวีและนิทานเป็นของขวัญที่ให้ทั้งจินตนาการความสุขและที่สำคัญลูกๆต้องตั้งใจฟังสิว่านิทานแต่ละเรื่องที่แม่กำลังจะเล่านะให้แง่คิดสอนใจอะไรแก่ลูกบ้าง และแม่ก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณพี่แซคผู้ช่วยคัดสรรบทเพลงอันแสนไพเราะมาฝากเด็กๆตลอดจนเสียงใสๆจากรูปแพลคะ่ะเอาละจ้ะแม่กำลังจะให้พรแล้วนะโอมเพียงจงเป็นเด็กดีมีดนตรีในหัวใจ เป็นที่ว่านอนสอนง่ายของคุณพ่อคุณแม่ตลอดไปนะจ๊ะ